ตอนที่สามิบเอ็ดการประชุมเช้าโอกาสที่ชูหลิงต้องการมาถึงเร็วกว่าที่เขาคาดคิดไว้หลังจากประทับเกี้ยวหลวงออกจากตำหนักต้าซิงเพื่อไปถวายพระพรยามเช้าที่ตำหนักชางเลอ่อและตำหนักเฟิ่งหลวนต่อเทห่หวงเทหาวและหวงหเทหาวจนเสร็จสิ้นชูหลิงก็สังเกตเห็นความผิดปกติทิศทางไม่ถูกต้อง ชูหลิงที่ประทับอยู่บนเกี้ยวหลวงมองดูเหล่าขันทีน้อยที่สาวเท้าก้าวเดินอย่างรวดเร็ปันบินเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังเร่งรีบแข่งกับเวลายามนี้ท้องฟ้าสว่างโรยแล้วแสงอาทิตย์ที่สาดส่องจากทิศตะวันออกอาบไลด้วยสีทองอารามหิมะเริ่มโปรยปางลงมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบลมหนาวที่พัดมาปะทาร่างนั้นเย็นอย่าเงเยือกยิ่งนักหลี่จงนี่จะไปที่ใดกันชูหลิงขมวดคิ้วมุ่นมองไปทางหลี่จงที่เดินตามเกี้ยวหลวงมาติดตดพร้อมเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สะกดความตื่นตระหนกสงสัยไว้ในใจ ฝ่าบาทท่านต้องเสด็จไปยังตำหนักไทจีพยะคะ่ะหลี่จมก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วตอบตำหนักไทจีเปิดการประชุมเช้าครั้งใหญ่หรือความสงสัยในใจของชูหลิงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนี่มันไม่ถูกต้องตามระเบียบราชวงศ์อวีหลังจากพิธีขึ้นครองราชของจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เสร็จสิ้นลวงจะต้องเสด็จไปยังตำหนักไทจีเพื่อเปิดการประชุมเช้าครั้งแรกของราชการใหม่ที่ประตูไทจีจริงๆทว่าเวลาที่กำหนดไว้คืออีกสามวันให้หลัง เมื่อครั้งจั ก, กรพรรดิเวินไทจงขึ้นครองราชตามราชองค์การสั่งเสียก็เป็นเช่นนี้เมื่อครั้งจั ก, กรพรรดิเสวียนจงชุนขึ้นครองราชตามราชองค์การสั่งเสียก็เป็นเช่นนี้ชูหลิงที่ทราบเรื่องเหล่านี้ดีจึงคิดว่าการเปิดการประชุมเช้าครั้งแรกของราชการใหม่ในนามของเขานั้นควรจะเป็นในอีกสมวันให้หลังซึ่งเวลานี้จงใจเว้นไว้เพื่อให้จั ก, กรพรรดิองค์ใหม่ได้ทําความคุ้นเคยกับราชกิจและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม แต่ทว่าในยามนี้ในขณะที่ชูหลิงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยการประชุมเช้าครั้งแรกของราชการเจิง้งถ่งกับถูกจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีขึ้นครองราชเสียอย่างนั้นชูหลิงจ้องมองหลี่จงสายตาของเขาเริ่มเปลี่ยนไปความรู้สึกที่ถูกบีบไม่ให้มีเวลาตั้งตัวแม้แต่จะทำอะไรก็ยังไม่รู้นี้ทาให้ชูหลิงรู้สึกรังเกียจชิงชังมากขึ้นเรื่อย ในฐานะจักรพรรดิแห่งต้าอวี๋เดิมทีควรเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดในใต้ลา ก, กุมอำนาจความเป็นตายไว้ในมือเพียงผู้เดียวแต่ตอนนี้เล่าอำนาจที่เป็นของเขากลับถูกสามตําหนักหลังแบ่งปันกันไปเสียแล้วแบ่งก็แบ่งไปเถิดแต่ไม่ควรถึงขนาดที่เขาสูญเสียแม้กระทั่งสิทธิในการรับรู้เรื่องราวไม่ใช่หรือฝาบาทเรื่องนี้บ่าวเองก็เพิ่งทราบพยะค่ะหลี่จงมองไปรอบๆ อ, อย่างระแวดระวังพางเร่งฝีเท้าขึ้นจงใจเดินเข้ามาใกล้แล้วกระซิบกับชูหลิงว่า ยางที่ขบวนเสด็จถึงตำหนักเฟื้องลวนทางตำหนักต้าช้างเลิกก็ส่งพระเสารีของไทห่วงทเทฮาลงมาว่าวันนี้จะมีการประชุมเช้าครั้งใหญ่ที่ประตูเทจีเรื่องนี้ไทห่วงทเทฮาเรงกำชับเป็นพิเศ ษ, ษ, ษ, ษว่าห้ามมารกวนฝาบาทดังนั้นเทหวงทเทฮามีเจตนาเช่นไรกันแน่ชูหลิงขมวดคิ้วเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องจัดการประชุมเช้าในวันนี้และต่อให้ต้องจัดเหตุใดจึงไม่บอกให้เขาทราบล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวรับมือได้บ้างแม้แต่ฉลองพระองค์ที่เขาสวมอยู่ก็ยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบราชวงศ์อวี๋เมื่อจักรพรรดิเรียบประชุมเช้าครั้งใหญ่ที่ประตูเทจีจะต้องสวมฉลองพระองคุ่นฟูคาดกระบีอรสวรร์รอจนกระทั่งเหล่าขุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูมาชุมนุมกันพร้อมหน้าเมื่อถึงเวลาจักรพรรดิจะเสด็จออกจากตําหนักเทจีประทับเกี้ยวหลวงไปยังประตูเทจีการประชุมเช้าจึงจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อก้มลงมองฉลองพระองค์ปกติที่ตนเองสวมอยู่ชูหลิงก็ยิ่งคิดไปไกลการประชุมเช้าที่ถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นนี้เป็นเพียงความประสงค์ของเทห่วงเทเฮาเพียงผู้เดียวหรือ หวงไทเฮาและฮองเฮาเองก็ไม่รู้เรื่องล่วงหน้าเหมือนกับเขาอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ตัวเขาเองติดอยู่ในตำหนักต้าซิงจึงไม่อาจรับรู้ข่าวสารภายนอกวังได้แต่ห่วงเทเฮาและฮองเฮาแม้จะประทับอยู่ในวังลึกทว่าพวกนางที่กลุ่มอำนาจล้นมือมีหรือที่จะไม่ล่วงรู้เรื่องสําคัญเช่นนี้หากเป็นเช่นนั้นจริงๆต้าอาวี่จะมีการปกครองโดยสามตำหนักหลังได้อย่างไรดังนั้นพวกนางย่อมต้องรู้เรื่องอยู่แล้ว เมื่อนึกย้อนไปตอนที่เขาไปถึงตำหนักเฟื่องลวนแม่ห่วงทเทหาจะประทับอยู่หลังม่านมูลี่แต่ชูหลิงก็พอจะมองเห็นเลือนลางว่าห่วงเทเหาก็ไม่ได้สวมฉลองพระองค์ที่เป็นทางการสําหรับงานพิธีการเช่นกันในอดีตตาอาวี๋ไม่เคยมีธรรมเนียมที่เทห่วงทเทหาหวา ห, าหรือฮองเฮาจะเสด็จมาร่วมการประชุมเช้าทว่าในวาระโอกาสใดควรสวมฉลองพระองค์แบบไหนนั้นกลับมีการบันทึกไว้อย่างละเอียดทีท้วน เนื่องจากถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางยุคเข็ญผู้กอ่อตั้งอาณ า, า, า, า, จ, า, าจักรตาอวียจากกระพัดเทจูเกาจึงให้ความสำคัญกับกฎระเบียบเป็นอย่างยิ่งจิตใจของผู้คนหลังผ่านการฉล้างในยุคสงครามย่อมเกิดความเปลีป่ยนแปลงหากต้องการให้ต้าอาวีสงบสุขและมั่นคงในระยะยาวบางสิ่งบางอย่างก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญและระบบกฎมนเทียนบานและจารีประเพณีของต้าอาวีนั้นเข้มงวดและละเอียดรอบคอบที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเรียกได้ว่าเหนือกว่าราชวงศ์ในอดีตทุกยุคทุกสมัยซึ่งนั่นทำให้แนวคิดเรื่องลำดับชั้นของต้าอาวีรุ ท่ามกลางการเดินนำอย่างกระวนกระวายของหลี่จงชูหลิงนิ่งเงียบไปนานก่อนจะตอบกลับมาเมื่อได้ยินสิ่งที่จักรพรรดิองค์ใหม่ตรัสหลี่จงที่ใจเต้นไม่เป็นจังหวะจึงค่อยๆโล่งมอกขึ้นมาบ้างเขารู้ดีว่าเพราะเรื่องนี้ความรู้สึกที่จักรพรรดิองใหม่มีต่อเขาจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนหลี่จงเองก็รู้ซึ้งถึงผลของการรู้แล้วไม่ายงาน แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในยามนี้รวมถึงความซับซ้อนภายในวังหลี่จงจึงไม่ได้บอกจั ก, กรพรรดิองค์ใหม่ล่วงหน้าเพราะเขารู้ว่าในที่ที่มองไม่เห็นมีดวงตาหลายคู่กําลังจับจ้องเขาอยู่สถานการณ์ในราชสำนักฝ่ายในดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทว่าความจริงกลับซ่อนไว้ด้วยอันตรายและการต่อสู้ที่รุนแรงไม่แพ้ราชสำนักฝ่ายนอกเลยแม้แต่น้อยหรืออาจกล่าวได้ ว, ว่าการต่อสู้ในฝ่ายในนั้นโหดเหี้ยมยิ่งกว่าฝ่ายนอกเสียอีก เพราะในฝ่าย น, นี้นั้นตำแหน่งบางตำแหน่งถูกกำหนดไว้ตายตัวและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคิดจะแตะต้องแต่บางตำแหน่งดูเหมือนจะคงที่ทว่าความจริงกลับสัญคลได้ตลอดเวลาหากต้องการจะก้าวขึ้นไปก็ต้องโค่นล้มคนที่นั่งอยู่ก่อนหน้าและคนที่ถูกโค่นล้มนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะมีจุดจบที่ไม่สู้ดีนักหลี่จงที่ผ่านโลกมามากย่อมไม่เปิดเผยความคิดของตนเองโดยง่ายเขากำลังรอโอกาสที่เหมาะสมการเปิดเผยตัวตนเร็วเกินไปนอกจากความตายแล้วเขาจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย ทว่าหลีจงที่มัวแต่ครุ่นคิดเรื่องเหล่านี้กลับไม่สังเกตเห็นเลยว่าว่านชิวเอ๋อร์ที่เขาเป็นคนพามาอยู่ข้างกายจักรพรรดิองค์ใหม่ในขณะที่นางเดินตามเกี้ยวหลวงไปนั้นนางลอบปลายตา ม, มามองเขาเป็นระยะไม่มีใครรู้ว่าว่านชิวเอ๋อร์กำลังคิดอะไรอยู่ส่วนชูหลิงนั้นเขาทําใจยอมรับได้แล้วในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วและไม่มีใครให้เวลาเขาเตรียมตัวการประชุมเชา้าที่จัดขึ้นที่ประตูเทจีได้กลายเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนอกจากกา ร, รเผชิญหน้าแล้วเขาก็ไม่มีหนทางอื่นอีก คนเราน่อย่าได้คิดว่าทุกอย่างจะหมุนรอบตัวเราในยามที่เรายังอ่อนแอความคิดเช่นนั้นมันช่างน่าขันนักชูหลิงที่ประทับอยู่บนเกี้ยวหลวงมองดูตำหนักที่อยู่เบื้องหน้ามุมปากปรากฏรอยยิ้มยอยหยันพลางคิดในใจเมื่อความคาดหวังในใจลดลงความผิดหวังก็ย่อมลดลงตามไปด้วยช่างเถิดอย่างไรเสียตัวเราก็ยังเยาวนักการจะกุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินด้วยตนเองย่อมไม่อาจทำได้ในเวลาอันสัน้น เช่นนั้นก็อาศัยการประชุมเช้าในครั้งนี้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ใต้การปกครองของราชวงศ์อวีให้มากขึ้นเสียหน่อยใ น, นเมื่อเป็นการประชุมเช้าครั้งใหญ่ย่อมต้องมีการหยิบยกเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหารือกันอย่างแน่นอนสําหรับชูหลิงในยามนี้สิ่งที่เขาต้องการรับรู้อย่างเร่งด่วนที่สุดก็คือความเคลื่อนไหวนอกวังวี่แม้เพียงเล็กน้อยก็นับว่ามีค่ามหาศาลสําหรับเขาแล้วสิ่งที่เห็นจากตํารานั้นทําได้เพียงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น เพราะชีวิตดาเนินไปในทุกๆวันและในแต่ละวันนั้นต้าอาวิย้อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเมื่อใดที่ชูหลิงสามารถกลุมแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เช่นนี้ได้เมื่อนั้นสถานะของเขาจึงจะถือว่าเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงหิมะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆ เกี้ยวหลวงที่ชูหลิงประทับมาถึงตำหนักไทจีอย่างรวดเร็วและที่นี่ชูหลิงได้เห็นเงาร่างที่คุ้นตามากมายทหารจินจวินและทหารซุนเว่ยที่คอยอารักขาตำหนักต้าชิงได้เดินทางมาถึงตำหนักไทจีก่อนแล้วเมื่อการประชุมเช้าเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการพวกเขาจะทำหน้าที่อารักขาจักรพรรดิองค์ใหม่ของต้าอวีเสดต์ออกจากตำหนักไทจีไปยังประตูไทจีเหตุใดจึงไม่เห็นแม่ทัพใหญ่จินจวินหานชิง หลังจากกวาดสายตามองไปรอบหนึ่งชูหลิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเริ่มสนใจในตัวเซียวจิ้งคนแรกที่กระตุ้นความสนใจของชูหลิงได้จริงๆก็คือหานชิงนี่เอง